พระธรรมเทศนาแผ่นที่ห้าิบเจ็ดลำดับที่ส5บห้าโดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดปานาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่27กันยายน2556หมีชื่อเรื่องว่าศรัทธาต้องมีปัญญาด้วยวันนี้เป็นวันที่ย7สิบเจ็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 ตามปกติหลวงพ่อลงไปกระพักที่สวนแสงธรรมและก็วันเสาร์คงจะมาฉันที่บ้านคุณหลวงจิตโภชนาเพราคุณหลวงได้ประวัดานิมนต์เอาไว้แต่คณะสัตย า, าติโยมกลุ่มนี้ก็ไม่ใช่น้อยเหมือนกันหลายร้อยคนคุณกรุงเทพที่จะจับกลุ่มได้ขนาดนี้ก็ไม่ใช่ได้ง่าย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 ก็อันตรายเหมือนกันถ้าเป็นกลุ่มเป็นก้อนก็จะเป็นผลดีณขณะที่หลวงพ่อไม่อยู่วัดก็ฝากไว้กับพระนักทาญาติโยมลูกหลานทุกคนนะนะั่นแหะผู้ที่เกี่ยวข้องหลวงพ่อไม่อยู่ก็เหมือนกับหลวงพ่ออยู่เพราะว่าหลวงพ่อไม่อยู่จับไฟด้วิมันร้อนไหมมันก็ร้อน หลวงพ่ออยู่จับไฟร้อนไหมก่อร้อนอเพราะนั้นหลวงพ่ออยู่แล้วไม่อยู่พวกเราสร้างคุณงามความดีสั่งสมคุณงามความดีเหมือนเดิมเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกทกท่านคนณะสัตย า, า ญ, ญาณโยมพระเนนลูกหลานทุกองอเวลาหลวงพ่อออกจากวัดไม่ได้น ะ, ะไม่มีความเคารพซึ่งกันละกันไม่ถูกต้องเป็นอย่างมาก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 เป็นคนขับรถเอารถลงไปนะไม่ใช่ไม่มีโดอมากลุงตาก็ไม่ได้ค่อยขึ้นรถไฟไม่เครื่องบินไม่มีสมัยนั้นแต่ลุงตาไม่ชอบขึ้นเครื่องนะแต่ถ้าว่าไม่ขึ้นรถก็ขึ้นรถยนต์ขึ้นขึ้นรถไฟแต่โดยมากรถยนต์รถเก่งทางอุดรเขาในมลรับลงไปท่านก็ไปพักที่วัดบวรเป็นส่วนใหญ่บางทีกับวัด น, นรนาฏบ้างแถว นั่นะบางเขนวัดพระีมห า, าธาตุบ้างแถวบางเขนตูดมากท่านก็ไปพักพักแต่ละวั น, นก่อนน่โดยมากก็ไม่ต่ำกว่าสิบสี่สิบห้าวันบางทีก็ยี่สิบกว่าวันก็มีนานานทีนี่แหละเวลาท่านลงไปวัดในวัดของเราวัดป่าบ้านตาดรูด้สึกว่ามันเยือกเย็นเย็นเงียบอันนั้นก็คือพ่อไม่อยู่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 ที่เป็นหัวหน้าในขณะที่อยู่ก็มีคณะสัตายาธิโยมลูกหลานเข้ามาเกี่ยวข้องแต่ยิ่งทุกวันนี้ยิงมีโทรศัพท์ถามไทยกันหลวงพ่ออินอยู่ไหมถ้ามาอยู่ถ้ามาอยู่ยังไม่ไปพวผมโทรหากันบอกกล่าวกันได้แต่สมัยลงตาสมัยก่อนลงตาจะไปไหนท่านจะไม่บอกนะอย่างวันนี้ถ้าัท า, าญาติโยมมาลงตาไม่บอก ท่านจะไปท่านก็ไปเลยเวันนี้คณะสัตธา ญ, ญาติโยมมาบางคนก็เหลือเกินจริงๆนะพอมาถึงมาลงตาไม่อยู่เท่านั้นแหละหันรถกับพืชเลยนู่นไปจังหันทํากงเพนหน่อยแต่เราก็ไม่ว่ากันเพราะเขามาเพื่อลงตาใช่ไหมเออเราไม่ได้มาเพื่อเรา เ, เราก็ไม่ว่ากันแต่เรากโอ้เกินไปแล้วว่าโยมในว่าก็น่าจะเอามาให้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 พระในครั้งพระพุทธเจ้ามีชื่อว่าพระวัครินะพระวัคคีเนี่ยเป็นชาวกรุงสาวรรค์ถี่พอบวชเข้ามาสมัยก่อนเป็นโยมเป็นพราหมนะพวกพรพาหม์ตระกูลพราหมณ์เห็นพระพุทธเจ้าแล้วเกิดความเคารพนับถือเลื่อมใสอ ย, ย่างมากอากับกิริยาโอ้หน้าเคารพน้าเลื่อมใสหน้านับถือเห็นแล้วพ่ออกพอใจ ข้าพเจ้าน่ดูห่างๆเลย เ, เวลาไปฟังธรรมเทศนาก็ไม่ได้คาดสายตาเลยเ อ, อนั่งฟังจ้องดูรูปพระพุทธเจ้าอยู่ตลอดพอต่อมาครับพระพุทธเจ้าเสด็จไปที่อื่นเราก็ไปไม่ได้เราควรจะบวชว่ะ เ, เพื่อจะได้ดูพระพุทธเจ้ า, ากับกิริยาของพระพุทธเจ้าอยู่ตลอดเวลาเนี่ยจะได้เห็นพระพุทธเจ้า จากนั้นเขาก็เลยบวชชื่อบวชก็ชื่อว่า พ, พะระภวัคค리พอบวชเข้ามาแล้วท่านก็ไม่ได้ขาดสายตาเลยอยู่ที่ไหนนั่งท่า น, น, นดูมองจ้องพระพุทธเจ้าอยู่ตลอดพระพุทธเจ้าก็รู้ท่านไม่รู้ได้ยังไงเพราะท่านมีญานรศนะมีทั้งหูทิพย์มีทั้งตาทิพย์มีทั้งตานอกมีทั้งตาใ น, น, น, นท่านก็รู้แต่ท่านก็เฉยท่านมองอยู่ เพราะว่าบา ร, รมียังไม่แก่ท่านมองก่อนนะถ้าว่าบา ร, รมียังไม่แก่ถ้าไปดาไปดุให้เลยเนะี่ยมันแตกเพราะบา ร, รมียังไม่แก่ท่านก็มองดูบา ร, รมีของพระวัครีซะก่อนพอต่อมาเพรบา ร, รมีแก่กล้าขึ้นเรื่อยๆท่านหร่ท่านก็บำเพ็ญท่านก็บอกว่าวคัคคีเธอจะมาดูอะไรร่างกายของเราเนี่เต็มไปด้วยอจุพะปฏิกูล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 ออกห่างทีไหนออกห่างแต่ถึงยังไง <_ d ata> ก็ไปนั่งอยู่ไกลๆก็ยังมองอยู่งั้นเถอะเอายังมองอยู่ใกล้ๆไม่ให้คาดสายตาอีกเหมือนกันแต่ก่อนอยู่ใกล้นะต่อต่อมาเนีอยู่ห่างไกลห่างไกลแต่อยู่ในอยู่ในสายตาอยู่เพราะพระพองค์ก็มองดูอีกอบารมีเขาแต่ถึงคราวที่จะได้สําเร็จไหมเนี่ ย, ยพระพองค์ก็มองดูอีกทั้งทางนอกหมูอทั้งมองข้างๆในฮะ อย่าง า, านรัตนะของพระพุทธเจ้าผมมองดูอีกภวัคคารีเนี่ยเขาจะได้สาเร็จมรรคสาเร็จผลไหมเนี่ยถ้าเราดูไปเนี่ยมันจะเสียหายไหมเนี่ยผมตรงมองถึงขนาดนั้นนะเพราะทําทด้วยความเมตตาเนี่ยท่านไม่ได้ทําด้วยอารมณ์โมโหโกธาเนี่ยแต่นี้ภระวัคคารีเนี่ยมองอยู่ตลอดเวลาอยู่ใกล้ๆไม่ให้ขาดสายตาแต่นี้วันเข้าพรรษาไปจำพรรษาที่กรุงราชคืรึที่เนี่ย พอพระพุทธองค์ก็บอกเห็นว่าบา ร, รมีของเขาแก่กล้าแล้รตัวไหเขาจะได้สําเร็จแล้วไหนแต่ก็ยังศรัทธาเรื่องวความเคารพออยากจะเห็นพระพุทธเจ้านี่ยเต็มหัวใจ <c oughs> พระพุทธองค์เสด็จไปนัดสิสถานที่ใดไปว่าเอพอสว่างขึ้นมาก็ไม่ให้คาดสายตาหลยก็มองเรากันเลยอยู่หาหมุมมองให้ได้ <c oughs> แต่ที่พระพุทธองค์เขคิดว่าพระพุทธองค์จะไม่เห็นตัวเองเนะ่ย แต่นี่พระพุทธองค์ก็บอกเรียกวัคคลิมาเอี่ยพระวัคคลิเขามามาว่าวัคคลิเธออย่าอยู่ที่นี่นะไปไปอยู่ที่อื่นไปหาภาวนามาหายุ่งทําไมนี่ว่าจะเนี่ยเออเท่านั้นแหละโอ้โหในจิตในใจผองพ ร, ะ, พระวัคคลิมีเท่าไหร่นะหล่นตกลงสู่ดินหมดเลยเหมนนนะจิตใจโกถ้าข้าไม่ได้เห็นพระพุทธเจ้าเนี่ย ข้าจะอยู่ทําไมในโลกเนี่ตายดีกว่าใช่ไหมพุทธนอใครเข้าจ ะ, จจะตายเลยทีนี้เขาเสียใจยอย่างมากอีกต่างหากนะคนมีศรัทธาเอางนนะคนมีศรัทธาถ้ามีศรัทธามากไม่สัมปยุทธ์ด้วยปัญญานะถ้ามีมีอะไรกระทบกระแทกอย่างแรงๆเนะี่ยแปลว่าจะฆ่าตัวเองตายเลยลักษณะอย่างนั้นอนะ่ะแต่เนี้นก็พอเมื่อพระพุทธองค์ส่งดุอย่างงั้นแล้วก็โอ้ข่าขึ้นเป็นโดดเหวตายดีกว่าใช่ไหม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 เพราะนั้นพระวัคคลิก็คิดอืหนีออกเลยแหละเพราะพุทธองค์ไม่ให้อยู่ใกล้เลยไปตายเป็นตายหาทินิกระโดดเหวตายดีกว่านี่ถ้าก็ปีนเขาขึ้นไปเอปีนเขาคิดจะกุดเขาเวลาปีนเขามันก็ต้องเหนื่อยใช่ไหมละ่ะอพอปีนข่ายขึ้นไปก็หักหักหนะักเลยทันท้พุทพุทธองค์อยู่ที่ปะคันทกูดีท่านก็เพ่งเอเพ่งอภินิหารไปเลยเอ เพ่งกับพิณิหารเป็นแสงพลาวไปไปก็เห็นพระพุทธเจ้ยายืนอยู่ต่อหน้าวัคฤต์เธอไม่ต้องกลัวมานีนาา้ไม่ต้องกลัวกลัวอะไร เ, เราไม่ใช่จะเป็นอริศตูกับท่านามานี่นี่นะ เ, เธอต้องปฏิบัติตนอย่างนี้นะาภาวนาอย่างนี้นะให้เห็นอย่างนี้นะรู้จริงอย่างนี้นะ นี่มามากับเราพอได้ยินเสียงเท่านั้นแะแต่ก่อนเหมือนกับ น, น้ำที่มันแห้งจกักะจนดินแตกและแหง้งพอได้ยินพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเอ่ยชื่อเท่านั้นละ่ะจิตใจของพระวักครเีเต็มเปี่ยมไปด้วยน้ำเต็มเปี่ยมไปด้วยน้ำเรียกว่าชุ่มชื้นเบิกบานขึ้นมาโอ้มีความสุขจริงๆเหกันที่พระพุทธเจ้าที่ท่านได้ตัดต่อหน้า ตัวเองตัวเองก็อยู่ใกล้พระพุทธเจ้าอีกต่างหากเลยจากนั้นปไปตามหลังเราไปเกิดปีติอย่างแรงนะเกิดปีติอย่างแรงเพราะพระพุทธเจ้าพาไปด้วยฤทธิ์เนี่ยพอเท้าพ้นจากดินเทน่านัปีติก็หายจากนั้นท่านก็ได้ภาวนาเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาท่านก็ได้สําเร็จเป็นพระอรหันต์ในในขณะ ไปใ น, ในอำนาจลิศของพระพุทธเจ้าจากนั้นก็ไปกราบพระพุทธเจ้านี่แหละพระวรคุริจากนั้นท่านพระพุทธองค์ก็บอกว่าพัพระวรคุริเป็นผู้ติดที่จะอยู่ใกล้พระพุทธเจ้าท่านก็ได้รับเอธัตคะนะเมื่อท่านได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วพระพุทธเจ้าก็ตั้งตั้งเอธตคะว่าเป็นผู้มีมีศรัทธาเลิศเป็นผู้มี สัมปยุตด้วยศรัทธาคือความเชื่อ อ, อยากจะเห็นพุทธศีระของพระพุทธเจ้าด้วยความตั้งใจจริงจริงนี่แหละคือศรัทธาศรัทธาเป็นพื้นฐานถ้าศรัทธามากกระทําให้เสียหายได้เหมือนกันนะศรัทธาไม่สัมปยุตด้วยปัญญาถ้ามีศรัทธาด้วยมีปัญญาด้วยมีความรอบคอบด้วยอันนั้นจะเป็นผู้ที่เลิศประเสริฐ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 เหมือนพระพตทธลูกอย่างนั้นะเอะแต่พอตัวเองเข้ามาบวชไม่เป็นแต่ซากในคนอย่างนั้นนะเอพอไปมาดาพระทานทุนท่า น, นี้พอเข้ามาบวชทีนี่โอ้ยิ่งกว่าหมาอีกทีนี่ไอ้คนที่ดูถูกพระอย่างนั้นนะอพอมาบวชท่านแล้วนะเราเห็นเอ๊เมื่อสมัยเขาเป็นคารวาสเนี่ยเขาชอบดูถูกพระอว่าพระไม่ดีจังวะพระไม่ดีอย่ังนี้ เมื่องมเขามาบวชเขาคงจะอยู่ในหลักพระธรรมวินัยแน่นเปี้ยนะมัง้งดูซิเป็นยังไงนูน่นเพ้อเพอจะไปกินข้าวแรงอีกต่างหากว่าเงินเถอะเห็นแล้วโอ้คนที่ชอบดูถูกคนอื่นพอมาถึงตาตัวเองเลยไม่ได้เรื่องเขามีเหมือนกาณาเพราะนั้นขอฝังไว้นะคณะาจาทย์ญาติโยมลูกหลานทุกคนนะพูดแต่เขาอีนเนาเป็นเองมันเป็นคําโบราณเขาพูดไว้ตั้งแต่ดึกดำบรรท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 ใจของเราไม่พอใจกับเขาเห็นแล้วมันคว้างตาเลยอแล้วก็ไปดูถูกไปเหยียดหยามไปว่าให้เขาอันนั้นไม่น่าจะถูกถ้าหากว่าเราเห็นเขาแล้วก็เออนาน า, นาจิตตังนานาทัศนะน า, น า, น, า, น, านาความคิดเนาะเกิดมาในโลกนี้จะให้เหมือนกันทุกอย่างเป็นไปไม่ได้เนี่และมองคนในแง่เหตุแง่ผลมองคนในแง่ดีฮ อยู่ด้วยกันด้วยความร่มเย็นเป็นถูกสามีภรรยาลูกหลานวงศาคณาญาติคงเหมือนกันนะมองกันในแง่เหตุแง่ผลก็จะมีแต่ความร่มเย็นผาสุกแต่ถ้าว่ามองกันในแง่ร้ายแล้วก็นั่นแหละหาความผาสุกไม่ได้ในชุมชนสังคมของพวกเราแต่เมื่อวานก็หลวงพ่อก็ได้ไปเทศนาและไปเทศในงานศพของอโยมทองฤทธ โยมทองฤทธิ์เนี่ยคือเคยมาบวชที่วัดของเรานะหลวงตาทองฤทธิ์มาบวชอยู่ที่นี่หกปีนะทีแรกท่านก็บวชงานอะไรบูชาพระคุณในหลวงสามเดือนพอสึกออกไปแล้วก็ไปทำงานราชการอยู่เนี่ยนะเป็นสาสาธารณาสุขอำเภอหลายอำเภอนะในจังหวัอดอุดร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 จากนั้นเมือ่อบ้านวามัา่อองก็ได้มรณะลงไปแล้วเขาก็มาที่มนฑลหลวงพอ่อเขาก็กล้ า, ก, า ก, กลัวเนะพราะหลวงพ่อไม่ค่อยรับนิมนต์ไปที่ไหนง่ายๆแต่เราคิดว่าเออหลวงตาทองเหมือนกับคนของเรามาอยู่ที่วัดของเรานมนานเออพิ่งจากไป เ, ออเราก็ควรจะไปแสดงออไปบอกกล่าวให้กับลูกหลานได้รับภู้รับสาบเมื่อวานหลวงพ่อได้ไปแสดง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 พ่อแม่พี่น้องของเราที่อยู่ใกล้ชิดที่เรารักเขารบนับถือใกล้ๆถ้าท่านจากไปโอ้โหเรา เ, เสียใจแต่คนอื่นตายอยู่นู่นอยู่ทวีปอื่นล้มหายตายไปเราก็เฉยๆตายเป็นธรรมดานะแต่พออยู่ใกล้ๆเราตายเนีนไม่ใช่ธรรมดาเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าก่อนที่ท่านจะหนีออกจากเวียงวังไปบวชท่านเห็นคนแก่นะเห็นคนแก่ คนเคนแก่ง่อมแล้วก็เห็นคนเจ็บแล้วก็เห็นคนตายแล้วก็เห็นสมณะเนเมื่อท่านเห็นสี่อย่างนี่ท่านจึงตัดสินใจบวชเห็นสมณะทำไมจึงบวชเห็นสมณะเออคนแก่คนดีคนเจ็บคนดีคนตายคนดีถ้าเรามานั่งคุ้นคิดพิจารณาในเวียงในวังีคงจะคุ้นคิดไม่ออกเพราะว่ามันภาระของเรามากเหลือเกิน ไม่รู้ว่ารากการงานเมืองไม่ระหว่าการบริหารจัดการมากมายถ้าเราไปอย่างสัมมนอยู่ในป่านี่นั่งขัดสมาธิแล้วก็สำรวมหลับตาคิดที่จะหาทางออกทางแก่จะไม่จะทำยังไงจึงไม่มาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอีกคงมีช่องทางพระพุทธเจ้าท่านคิดถึงขนาดนั้นนะจากนั้นท่านจึงหนีออกไปบวชถึงหกปี ไปอยู่ในป่าบําเพ็ญอยู่หกปีลองถูกลองผิดลองผิดลองถู ก, ถกเหมือนกับรองวิทยาศาสตร์อย่างนั้นละ่ะเออหรือว่ารองเกษตรศาสตร์อย่างนี้ละปลูกนั่นไม้ปลูกนี่ปลูกย่านปลูกอย่างนี้อย่างเอ้ยจนได้สําเร็จสําเร็จสมความมุ่งมา่นปรารถนา ค, คือวันเดือนหกเพ็นนี่แหละพระพุทธเจ้าได้ตัดรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ น, นี่แหละทันรู้ได้หมดทุกคนเลยสิเกิดมาอย่างไงตายอย่างไง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 ถ้าสิ่งไหนก็ตามสิ่งไหนที่มันชั่วผิดกฎหมายบ้านเมืองหรือบาปกรรมทั้งหลายเมื่อทําไปแล้วน่ยกรรมชั่วมันจะให้ผลอะไรตัวในในขณะที่ทําก็ทําด้วยโมโหโกธาแต่เมื่อทําเสร็จไปแล้วน่ะกรรมชั่วจะตามให้ผลอะไรเผอเผลอบางทีไปฆ่าไปอยิงเขาผิดกฎหมายอย่างร้ายแรงผลที่สูกก็ตัวเองก็โทษประหารฮอแต่ทุกวันนี่ก็อย่างว่าโทษประหารเขาไม่ประหารแต่ที่ยังไงก็ขังคุก